ความงามในพุทธศาสนาท่านแบ่งขันแบ่งตอนได้เป็นสามอย่างที่เรียกว่าสินสมาธิปัญญาดังคำที่ท่านอธิบายว่าอาธิกัญยานั้นงามเบื้องต้นในเกศสิน มัชเชกนยานั่งงามเบื้องกลางได้เกิดสมาธิวิโยสากนกนิยานั่งงามที่ดีสุดคือได้เกิดปัญญาัานวาอย่างนี้ความงามในศาสนามันแตกจากความงามของโลก โลกเขาถือกันว่ารูปสวยวๆซัพย์จึงเรียกว่างามแต่ว่าความงามในศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นรูปสวยไม่สวยก็ช่างแต่มีศีลเป็นเครื่องอยู่มีศีลเป็นเครื่องประดับมีสมาทานสมาธิเป็นเครื่องประดับ มีปัญญาเป็นเครื่องประดับนั่นเลยเรียกว่าความงามมันจะงามได้ยังไงศิล ส, สมาธิปัญญาเป็นตนในตัวอะไรจะงามได้ยังไงขอให้ลองคิดดูไม่มีตัวมีตนแหละศ้ล ส, สมาธิปัญญา แต่ว่าไม่มาสวมเข้าในตัวคลท่านั้นะมันหงงามเองอธิบายถึงเบื้องอสินเบื้องต้นที่ว่าอาทิคนนยานังสินเป็นของงามเบื้องต้นสินเรียกว่าปกติ ีลาทีละก็คือว่าก้อนหินนั่นเองเป็นปกติทุกอย่างปกติในที่นี้ไม่ได้หมายความเหมือนกับก้อนหินจริงๆอย่างท่านอุปม า, าต่างหากที่ว่าก้อนหินนั่นคือปกติไม่กระทำความชั่วคนเราเกิดขึ้นมาไม่ใช่มาทำความชั่ว ปกติไม่ได้เกิดมาทำความชั่วทำมาให้กินเลี่ยงขีบดโดยสุดจิตแต่คนเรานั้นมันกิเลสค ร, รอบงามจึงสามารถทำความชั่วโดวยประการต่างๆมันเลยไม่ปกติเสียศีลอาชีลาไปว่าปกตินมกลาจเจ้าทั้งหลายท่านสรรเสริญ โดยอัดบาลีท่านว่าไ ว, ว้ว่าสีละสีละ่ะเทวาปกติคือไม่ทาคมผมชั่วนั่นเองสีละมีอัดสีประการสีละโถตลอรอรียงเรียกว่าสีลา สีสัตโธด้วยอัดว่าเย็นสีสัตโธด้วยความว่าด้วยอัดว่าสูงสีรัตโธรอเรีงให้รอรักษาด้วยอัดว่าเรื่ของสูงที่อัดอธิบายนั่นว่าสีลัตโธอธิบายมาแล้ว เดีวปกติปกติกายวาจาใจไม่ทำความชั่วเรียกว่าสีละตโทสีสัตโธเป็นของเย็นถ้าเราแลอาสินนี่ไปไว้ในตัวแล้วเย็นทั้งตัวของเราแล่เย็นั้นคนอื่นคนที่ อาสมาคมกับตัวของเราก็เยือกเย็นเราก็เยือกเย็นเย็นด้วยเหตุที่ว่าไม่มีการรักการขโมยการช่อการกงการฆ่าศาธุทิตไม่มีทั้งนั้นอ่ะมดเว้นจากจิตอาห์งดเว้นจากข้อหอาไอข้อห้ามอาประการแต่ประการใดแค่นหะเย็นหมด ที่ไม่เย็นนั่นคือว่าไม่มีสติไปไหนก็เดือดร้อนกลัวเลยเขาจะักจะขโมยกลัวใเขาจะฆ่าจะแกงกลัวทุกอย่างบ้านเมืองเรานี้เดือดร้อนแม้จะลงจากบันไดไปก็เดือดร้อนเพราะเหตุไม่มีสติ น, นั่นเองไปไม่อสาวาจะถูกฆ่าถูกแกงเมื่อสาว่าจะถูกทําลายโดยประการต่าง เดือดร้อนอุ่นวายแต่มดเพราะเหตุมีสินถ้ามีสินเสียอย่างเดียวแล้วมดเรื่องความเดือดร้อนไม่มีไม่ได้ความเย็นตัวของเราไปเย็นคือไม่คิดคิดษาอิปยาปัญญาบาตอาการใครทั้งหมดคนอื่นก็เย็น อยู่ด้วยกันก็เย็นมดบ้านเมืองวุ่นวี่งวุ่นวายอย่างนี้เพราะเหตุในมีสิทนั่นเองยังมีน้ำถือกันทราบว่าคนที่มีสิทธนั้นเป็นคนคลึกไม่ทันสมัยโน่หน่อยจริงมันทันสมัยเขาก็เพราะเหตุมันเดือดร้อนนั่นเอง มันจะค่ทันสมัยเขาเพราะคนเราน่นะมันเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะว่าข่าก็ข่าโขแฉงก็แฉงเพราะว่ดื่มสุรายางเมาก็ต้องดื่มเาืาเพราะว่าเขาตีเขาต่อยก็ต้องตีก็เข า, ขาอันนั้นมันยังค่ทันเขา แต่ความเป็นจริงแล้วนะอันนั้นมันล่าสมัยไปเสียแล้วลองดูถ้าหากมีจินอย่างที่ว่านี่แหละบ้านเมืองจะเป็นยังไงจะอยื่กเย็น็นสุขไหแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาต้องการความสุขมไม่ใช่หรือแล้วมาทำวุ่นวี่วนวาย็้มันจะสุขที่ไหน อาหางี้สินเสียอย่างเดียวตำรวจก็ไม่ต้องมีผู้พิพากษาก็ไม่ต้องมีศาลก็ไม่ต้องมีเรื่องเจ้านายฝ่ายบริหารปกครองไม่ต้องลำบาทำกทํำผิดก็บอกว่าผิดตรงตรงซะทําถูกก็บอกว่าถูกตรงตรงซะไม่ตรงต่างทนายความ ตั้งทำไมความกันสักไซเดียังจี้กันจนกรทั่งไปไม่ได้จค่อยอ ย, ยอมรับสรภารภาพถึงวันนั้นก็ยังไม่อ ย, ยอมรับรจังจิตคุกจิตกลางก็ยังหาว่าเขาจะโทษด้วยจังมันเจนอย่า ง, างนี้มนุษย์ชาวโลกของเราท่านยังว่าจีตะโถนั่นเป็นของเย็นสีตะโถ เป็นของสูงมนุษย์คนเราในแง่ที่จะเอื้อมถึงแต่เพราะเหตุนี้แหละมันยูดสูงเหลือที่เราจะยืดถึงชีรัตโถเป็นของวิเตษสูงสุดเมื่อสูงมันก็ของอิเติสอันนี้โดยอัด มีสี่อย่างมันงามอย่างนี้เรียกว่างามเบื้องต้นถ้านหากว่าเรามีสินแล้วเข้าแค่ที่บานนี้หละมันจะงามไหมรับรองว่าทุกคนต้องงามสุขภาพเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างงามรูปงามกาย เจ้นของเปืือยเจ้าปติกูลตายเป็นงามศิลงามธรรมตายไม่เป็นพระพุทธเจ้าลนอริยสงสาวกทั้งหลายท่านงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดยังมีคุณความดีของท่านตลอดนบ่ยยาวจนป่านนี้ ใครไหวใครสรัทธาบูบชาเคารพนอน้อมนับถือก็ยังไม่จืดจางคนผู้นั้นย่อมงามได้ามท่านกราบไหว้ก็ต้องงามตามท่านเคารพนับถือบูชาก็ต้องงามตามท่านปฏิบัติตามท่านงามทุกอย่างมณนนีเรียวงามเบื้องตน สมาธิเบื้องต้นแคแท้ทีเดียวงามทำกลางคราวนี้คือสมาธิทำจิตให้เยือกเย็นสงบอยู่กับที่ไม่คิดอิจฉาอิธยาไม่พยาบาทจ้องล่างจ้องผ่านมีเมตตาผ่านีเย็นดูสงขอสงสาเรื่องการศิสัน ความมั่นเสมอของจิตอนั้นทำความงามไม่เกิดแก่ตัวของเราเมื่อเกิดแก่ตัวของเราแล้วค่ะนี่คนอื่นก็อดที่จะทำตามไม่ได้ต้องสงบราบความงามในท่านกลาง ต้องงามนมาจากถิ่นใช่ก่อนงามเบื้องต้นใช่ก่อนมันก็ต้นไม้คณะปลูกเอาพันธุ์ดีๆมาปลูกมันขึ้นมามันก็งามต้นมันก็งามมันขึ้นมาต้องงามาเป็นเบต้นงามเนะี่ยเป็นลูกเป็นผลกับงามทั้งนั้นเนะี่ยมันมาเชกัญญาเอ๋อมัเชกัญญานะังงามเนะี่ยทำกลาง งามที่สุดงามด้วยปัญญาคือเจราเขียบแหลมรู้เท่ารู้่อกรู้เรื่องรู้จับผิดจะถูกรู้จับดีจะตัวย่อมทำจะจริงจิตถูกเงี่ยมทำเลเธอเลีเ้ยวไหล เคคองจิตใจของตนไวนะ้ในอยู่ในทางที่ชอบเพราะขอในทางสตจสติถึงแม้จะเข้าหมู่เข้าคณะเข้าทั้งคมก็รู้จักกาลาเทสะรู้จักประมาณตนสมควรแก่ฐานะของตนโดยประการใดย่อมงามตลอดเวลา อันนี้เรียกว่างามในที่สุดงามอีกในหนึ่งที่เรียกว่างามในพุทธศาสนาอาธิการณญานังมัเขยการญาณังเปโโยสาส น, ะนาการญาณงามเป็นต้นทําการที่สุดพุทธศาสนานี่ยนั้ น, นต้องมีเครื่องประดับ เิานนั่น่ะมาไวส้สฉพาะในตัวของเราศินห้านแปดน10็ินตั้งยอเ็ดกระตามถึกปฏิบัติให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการไม่ผิดพลาดไม่ขาดตรวบุคลองทั้รวมระวังในสินนั่นเดียวเมื่อทั้รวมระวังในศินแล้ว ตัวตนเองตัวของตนเองนั่นแหะก็รู้ตึกตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไริดอะไรดีอะไรชั่วควรชั่วย่อมละได้เพราะเหตุที่เราเห็นชั่วเราสารวมมันต้องละชั่วไม่ควรมาสำรวมเนี่ยค่อยละอะไรละชั่วมันควรสำรวม เมื่อสำรวจแล้วขานี่ไม่เห็นจริงใดสาตัวบุคลองบริสุดหมดจดทุกอย่างมันเลยกลายเป็นสมาธิในตัวสมาธิเลยตั้งมั่นในนั้นแน่วแน่อยู่ในนั้นเป็นจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวในที่นั้น เมื่อจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วย่อมองเห็นสิ่งต่างพิจดดิถรถกรีได้ชั่วยาได้ละเอียดมองเห็นได้ด้วยปัญญาล่ากิเลสได้ดูวผมด้วยปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้นันหมายความถึงเรื่อง ปัญญาที่เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะอารมณ์นั้ว่วงหมดนะั่นเห็นเป็นโทษทุกเห็นเป็นบาปกุศนมันไม่ดีเราละได้อย่างค้องเกี่ยวข้องกับกฎทุกการเราละหมดอันนั้นแหะตัวปัญญาอันที่ละได้นะ่ะนะปัญญา เราทำทุกวันในนี้เนี่ยทำควาเปลี่ยนภาวนาก็คือปัญญานั่นแหละเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภยัยไปคือตัวปัญญานั่นแหละมันทางมีสมาธิไปนในตัวเมื่อจิตตั้งมัน่นลง้จริงเดียวแล้วอันในอารมณ์มันเดียวแล้วก็มองเห็นอนั้นแหละความชัว่วความผิดทุจิิริตต่างๆของเกี่ยวข้องกังวลนันแะ แลว้วก็ลนะนั่นมันเจ็ดปัญญาไปในตัวสินสมาธิปัญญาเลยรวมมาเป็นอันเดียวว่าทั้งเรื่องสินจนะให้เป็นสมาธินะฮะเจ็ดปัญญาว่าทั้งเรื่องศินนั่นแหละคือพิจารณาทั้งเรื่องศสินนะกำหนดทั้งเรื่องสินนะ่น ตัวปัญญาต้องเกิดขึ้นพร้อมนะคนไม่มีปัญญารักษาสินไม่บริสุทธิ์ต้องมีปัญญาจึงรักษาสินได้ที่ปัญญาจะเกิดก็เพราะมีสินให้พราะไอมีสมาธิพร้อมไปนในตัวสินสมาธิปัญญาได้ร ว, วมเป็นอันเดียว เราไปมัวจะพิจารณาแล้วก็มัวจะสแสวงหาทังเรื่องปัญญายังไงจะเกิดอะไรตัวอะไต่างๆอู้ไฟใหญ่ไปโต ว, ว่าไม่เข้าถึงตัวหลักตัวนี้นะ่ะเข้าถึงสมาธิตัวสินสมาธิปัญญาอยู่ในที่นี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นม้นวนมาในที่เดียวนี่ทังหมด